อีกสักครู่นะพวกเราก็จะได้กินอาหารระหว่างที่เรากินอาหารนะซึ่งใช้เวลาไม่นานนะอยากจะชวนให้พวกเราทำอย่างหนึ่งนะอย่างที่เด็กประถมในต่างประเทศนะอย่างในอเมริกาแคนาดาอังกฤษเนี่ยเข า, เ, าเริ่มทำกันมากขึ้นนะโดยการแนะนำของครูก็คือการกินอย่างมีสตินะ ตอนนี้เนี่ยโรงเรียนประถมนะในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะเขาก็เริ่มมีการชักชวนแนะนําให้เด็กเนี่ยกินอาหารอย่างมีสติหมายความว่าขณะที่เรากินอาหารเนี่ยใจเราก็รับรู้อยู่แต่กับการกินอาหารเรียกว่าทําด้วยความรู้สึกตัวใจไม่ต้องลอยไปคิดถึงอย่างอื่นเรื่องอื่นนะ ไม่ต้องสนใจคนข้างๆไม่ต้องห่วงเรื่องงานการที่ยังคาอยู่ยังไม่ต้องนึกถึงคนรักลูกหลานพ่อแม่หรือว่าไม่ต้องห่วงโทรศัพท์วางโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าไปเลยนะไม่ต้องวางไว้ข้างตัวให้เห็นเห็นแล้วมันก็ทำให้การกินอย่างมีสติทาได้ยากกินด้วยความรู้ตัวนะบ่อยครั้งเนี่ยเรากินเนี่ยเราไม่ได้รู้ตัวนะ ใจลอยนะบางคนเนี่ยตักลูกชิ้นหรือว่าทอดมันนะมาสามสี่ห้าชิ้นกินไปกินมาเอ๊ะมันหายไปไหนนะสองชิ้นน่ะนะมันไม่ได้หายไปไหนไมีเข้าไปมันอยู่ในท้องเราแล้วเราตักโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉอ น, นั้นใจลอยนะพอมารู้ตัวอีกทีมันหายไปไหนนะนะเคยเจอแบบนี้ไหมนะบางทีเอาขาไก่มาเอา กาจะกินขาไก่ให้มีความสุขอ้ามันหายไปไหนเนี่ยเห็นกระดูกไก่วางไว้ข้างๆก็เลยรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้เรากินไปแล้วนะเราลืมไปอันนี้เรียกว่ากินโดยลืมตัวกินโดยไม่รู้ตัวนะลองมาที่นี่มากินแบบนี้บ้างนะที่แคนาดานะมันมีอโรงเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยเขาทดลองนะให้เด็กชั้นปสี่ปห้าก็อายุประมาณสักเก้าขวบสิบขวบเนี่ย นะมาเข้าร่วมโครงการฝึกสตินะระยะ เ, เวลาสี่เดือนเขาก็เอาช่วงเวลาที่เป็นการอบรมทํานองหน้าที่พลเมืองนะหรือจิตอาสาซึ่งมันเป็นกิจกรรมหรือเป็นหลักสูตรที่มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะแต่ว่าแทนที่จะทําอย่างที่เคยทำเนี่ยเช่นพาเด็กไปเป็นจิตอาสาหรือว่า พาเด็กไปสร้างสํานึกต่อส่วนรวมเขาก็ให้มาเข้ า, อาคอร์สหรือว่าเข้าโปรแกรมฝึกสติฝึกสติยังไงนะก็ให้กินอย่างมีสตินะแล้วก็ให้ดมอย่างมีสติเช่นดมดอกไม้นะดมของหอมเนี่ยเวลาดมความหอมหรือกลิ่นของผลไม้หรือของดอกไม้เนี่ยก็ให้ใจรับรู้นะอยู่กับกลิ่นแค่รับรู้เฉยๆนะ ใจไม่ต้องลอยไม่ต้องวอกแวกเวลาจับอะไรก็จับอย่างมีสติเช่นจับผลไม้ในมือเนี่ยก็รับรู้ถึงผิวของต้นของผลไม้นะว่ามันหยาบมันละเอียดอย่างไรบ้างเวลากินก็กินอย่างมีสติไม่ต้องใจลอยแล้วก็เขาให้มาฝึกตามลมหายใจคือหายใจมีสติครั้งละสามนาทีเท่านะั้นไม่ได้มากเลยนะสามนาทีวันละสามครั้งนะแล้วก็อาจจะให้ ทางกิจกรรมอย่างอื่นที่ให้รู้จักคิดในมุมมองของคนอื่นบ้างนะเสร็จแล้วเขาก็เอาผลการเรียนของเด็กกลุ่มนี้ไปเปรียบเทียบกับเด็กที่เข้าหลักสูตรธรรมดานะวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยซึ่งอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีสักอสองสามชั่วโมงนันนะหลังจากทำไปสี่ส เ, สเดือนเนี่ยนะเขาก็มาพบว่าเด็กที่ฝึกสติเนี่ยนะ ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นนะ 15% พฤติกรรมทางสังคมเนี่ยเช่นมารยาทหรือว่าความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจเนี่ยก็ดีขึ้นนะไม่รู้เขาวัดยังไงนะเขาวัดดีขึ้น 24% แล้วก็ความก้าวร้าวก็น้อยลงนะ 24% เหมือนกันเพราะว่าเด็กเนี่ยนะมีอารมณ์เครียดน้อยลงยับยังชั่งใจหรือควบคุมตนเองได้มากขึ้นนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินนะว่าสติหรือการเจริญสตินี่มันทำให้คนเนี่ยผ่อนคลายแต่ว่าโครงการนี่มันยังเชื่อเห็นว่าแม้แต่กระ่งการเรียนนะการใช้หัวเนี่ยการใช้หัวสมองเนี่ยคือวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเด็กก็เรียนได้ดีขึ้นนะทำคะแนนได้ดีกว่าแต่ก่อนหรือดีกว่าเด็กกลุ่มอื่นนะ อันนี้มันก็เป็นการชีนะว่าเนี่ยการเจริญสติด้วยการตามลมหายใจการกินอย่างมีสติเนี่ยนะพอฝึกแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียเวลาเลยพ่อแม่บางคนเนี่ยอยากจะให้ลูกเนี่ยเรียนวิชาการเยอะๆอัดเข้าไป น, นะนะพอโรงเรียนจะให้ทากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ เ, เรียกว่า EQ นะเรื่อง ช่วยบำรุงจิตนะหรือว่าพัฒนาจิตเนี่ยพ่อแม่หลายคนจะไม่ชอบเพราะว่ามันทำให้เวลาที่จะเรียนวิชาการเนี่ยน้อยลงนะเดี๋ยวจะไปอะสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อไม่ได้เท่า น, นั้นไม่พอเนี่ยสาววิก็ให้เด็กไปเรียนพิเศษก็ยัดเข้าไปอีกนะจนกระทั่งในหัวของเด็กเนี่ยมันมีไม่ใช่แค่ความรู้นะแต่ในใจมันก็มีความเครียด แต่ว่ากิจกรรมหรือวการทดลองเนี่ยที่แคนาดาเนี่ยเขาเชื่อเลยนะว่าแม้แต่เด็กตัวเล็กๆ เ, เนี่ย9ขวบ10ขวบในการจราสตินี่มันพัฒนาสติปัญญาได้แค่พัฒนาอารมณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นของวิเศษแล้วนะเพราะเด็กสมัยนี้ก้าวร้าวสมาธิสั้นนะแล้วก็คอยอะไรไม่เป็นพออยากได้อะไรนี่ก็จะเอาให้ได้นะถ้าพ่อแม่ไม่ใ ห, มให้ก็เอาหัวขกพื้น นะหรือไม่ก็บางทีถึงขั้นทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายก็มีนะอันนี้เรียกว่าขาดความยับยั้งชั่งใจอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งนะก็สิบขวดบ1อขวบนี่แหละจะไปโรงเรียนแต่เช้าก็วิาสาสะถือวิาสาสะนะเอาเงินจากกระเป๋าแมนะ่ก็คงเป็นค่าค่าขนมนะแต่ละวันเนี่ย แม่อาจจะให้ช้าไปหน่อยนะก็เลยนะไปเอาเองเลยในกระเป๋าแม่ก็ต่อว่าลูกลูกเสียใจไม่ไปเรียนเลยนะเก็บตัวในห้องนะแม่ก็ไม่ว่าอะไรนะพอตอนบ่ายเนี่ยเด็กออกมาจากห้องแล้วก็ไปที่ระเบียงแล้วก็โดดลงมาจากตึกจากคอนโดตายนะนะอันนี้มันเป็นปัญหาที่ เรียกว่าเกิดขึ้นมากมากขึ้นเรื่อยๆนะกับเด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์นะอาจจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งความรู้เยอะนะแต่ว่าท้ายมันก็เป็นไปอย่างที่สุนทรผู้ว่าเนี่ยความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะเอาตัวไม่รอดนะนี้ไม่ได้แปลว่าทำมหากิจไม่เป็นนะแต่หมายถึงว่าไม่สามารถที่จะต้านทานอารมณ์ไฟต่ําหรืออารมณ์ในทางลบนะที่มันทําให้ ทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นอาจจะไปผิดกฎหมายผิดศีล น, นั้นแล้วก็ติดคุกน ะ, ะคำว่าความรู้ทั่หวหวตัวไม่รอด น, นี่ต้องเข้าใจว่าเอาตัวไม่รอด น, นี่ไม่ได้แปลว่าทำหมากินไม่เป็นนะอาจจะรวยอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะเป็นซีอ CEO, เป็นศาสตราจารย์นะแต่ว่าต้องติดคุกติดตารางนะเพราะว่าอารมชั่ววูบนะบางคนเป็นหมอก็ติดคุก โดนโทษปหารชีวิตเพราะไปฆ่าเมียเนี่ยอารมณ์ชั่ววูบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะการที่เรานะมารู้จักเรียนรู้นะการมีสติ ก, กับการกินนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่านะข่ครืโบราณ น, นะหรือว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ไม่สนุกนะเป็นเรื่องที่น่าเบือนะ่อแต่ว่าที่จริงแล้วมันมีประโยชน์มากเด็กที่เขานะ มาเขาโปรแกรมนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่โรงเรียนที่พูดนะที่อื่นเนี่ยเขาก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขามี eq นะ iq อาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่พุ่งพรวดแต่ eq นี่ดีนะก็เป็นคนที่มีความสุขแล้วก็มีเพื่อนมากนะเพราะว่ามีน้ําใจการกินอย่างมีสติเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวนะเดีย๋ยวนี้นะอย่างที่ว่านะปร ะ, ประเทศที่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องพุทธศาสนา นะแต่ว่าเขาก็เริ่มนะชักชวนให้เด็กเนี่ยมามีสติกับการกินอาหารมีสติกับการทํากิจกรรมต่างๆนะนับวันเนี่ยสติจะมีความสําคัญมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มันยั่วยุจิตใจให้เกิดอารมณ์หรือว่าทําให้จิตใจฟุ้งซ่านวอกแวกเนี่ยนับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆมันมีอยู่เรียกว่าตลอดเวลาแล้วก็ รอบตัวเราไม่ใช่แค่แสงสีเสียงนะไม่ใช่แค่เสียงคือทึกวุ่นวายนะแต่เดีที่มันตามติดเราไปยี่บสีชั่วโมงเลยไอ้สิ่งนั้นก็คือโทรศัพท์มือถือนะที่มันทำให้เราไม่มีสตินะทำให้เราวอกแวกทาให้เราฟุ้งซ่านจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นานเดี๋ยวต้องเปิดโทรศัพท์มาดูเช็คข้อความน ะ, ะเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นเรื่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนะี่ย นะอันนี้ก็เป็นการทำตัวเองนะจะไปโทษว่าโอ้ยบ้านเมืองมันวุ่นวายนะทำให้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนี่พูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าที่จริงเนี่ยไอ้สิ่งที่มันทำให้เราไม่มีสมาธิเนี่ยเราเอาพกติดตัวนะเว<ม>ลานอนก็ไม่ได้ปิดโทรศัพท์เปิดนะ<ม>ก็เลยนอนไม่เต็มที่เวลาทำงานอ่านหนังสือก็วางไว้ข้างตัวนะแม้จะคว่เอาไว้นะใจมันก็ยังพวง ห้านะนาทีเปิดมาเช็คมาทีแล้วก็ว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเช็คข้อความวันวันหนึ่งอย่างน้อยร้อยหครั้งนะร้อครั้งนั้นก็ประมาณเฉลี่ยแล้วเนี่ยชั่วโมงละ10ครั้งหรือว่าทุก10นาทีอ่าชั่วโมงละ6ครั้งนะก็คือทุก10นาทีนะแต่ที่จริงบางคนอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะแล้วมันไม่ได้เช็คข้อความเดียวใส่ข้อความนะเขียนข้อความพิมพ์ข้อความลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, อะลองนะ่าฝึกนะ มาที่นี่ทั้งทีเนี่ยไม่ใช่มา ง, ง, ง่ายๆก็ลองกินอาหารอย่างมีส ต, ติเว้นการพูดคุยกันนะแล้วก็ไม่ต้องสนใจโทรศัพท์ถ้าหากติดตัวมานะแล้วก็หันหน้ามาที่พระพุทธรูปนะเป็นเครื่องเตือนใจถ้าเรานั่งเป็นแถวหันหน้าไาที่พระพุทธรูปเนี่ยการที่จะมาคุยกันนะมันก็มีน้อยลงเราก็จะมีส ต, ติการกินได้ง่ายแล้วก็ลองทายเป็นนิสัยนะออนะ แล้วก็ลองชักชวนลูกหลานของเรานะให้ลองทําดูด้วยเด็กทําได้นะเด็กทําได้นะไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ควรทําด้วยนะลองฝึกดูเนี่ยเรามาพวกเลมอนฟาร์มมาที่นี่นะสมวันสี่วันเนี่ยนะก็ลองฝึกดูทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันอันนี้เป็นโอกาสดีมากเราเตรียมรับพร อิชิตังปฏิตังตุมพังคอยอิสาผลที่ทานปรารถนาและตั้งใจแล้วเกปาเมวสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉาพราสพาเพเรนตุสังกปาพอความดาหรีทางกวงจงเต็มที่จันโทปนรรโสยตาเหมือนพระจัจทร์ในวันเพนมา น, นิโชติระโสยตาเหมือนแกมนิอันสว่างสวยขวนดินดี สาทิทยาวิวัชันตวานใจายทั้งผ u a จงบำราดไปสาพรโคลวินาสตุโรคทั้งผ uang ของท่านจงหามาเตภวะวันตารายออันตารายามีแก่ท่านสุขีธีขายุโควภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสันนิจังวุตนาปจายโน จัดตาโรธรร ม, มาวาทานติอายุวันสุขังคละทานสีปา ก, การคืออายุวันนาสุขาพระละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอ่านนอนแต่ผู้ใหญ่เป็นนิภาวะตุสาพมังคลาพอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสาเทวตา อราเทวาดาทางบวงจงรักษาทานสัพพาผูานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพาธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธารมสัพาสังฆานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัตตาสติภวันโตเต อขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ด้านโน้มเมื่อเถิด